หนึ่งร้อยซาตาาวิเศษมานมานเคยยังไม่เคยยุบุนาคิมิตตะคุนาคิยุบุนาคิ มิตต์ุนอคิคุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง o, e o e Mai, l e t t e t เ j ย p a k u n a อ i ิ e r l i i n i s o ีส t อลนุ t โอเลตเตเตย i ปา i ุนอคิเบอร์ลินอีสุไม่ยังไม่เคยเลยค่ะเอ้ยมิตตุนอคิเอ้ยมิตตกุนคิใครไม่มีใครเคกิมิตตเกกิ เกี่ยงมตเกยคุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะตุนัตเตเซีนเกตากิตุนัตซีนเกตาไม่ดิฉันไม่รู้จักใครที่นี่ค่ะเอ้ไม่ตุนซีนตเออไตุนัซีนมิตกติอีกนิดอีกไม่นาน เว a มิดเตนอม v e a มิดเตนอมคุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหมยยากจะไป v e a กัววกซิอาอยากจะไป veal กัววกซิอาไม่ดิฉันอยู่ที่นี่อีกไม่นานค่ะเฮ้มอญย่าน้ำกัววกซิอาเอ้ยมอญย่าน้ำกัววกซิอา อะไรอีกไม่อีกแล้วเวลมกิเอยไม่ต i กิเวลมกิเอีม่กิคุณอยากดื่มอะไรอีกไหมโควิดตตเวลม่ากิอยู่วาโควิแตตเวลไม่ตากิอยู่วาไม่ดิฉันไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วค่ะเอยไม่โควลน้ม่ตกิ อี ei, ma ม่โซวิยนัมมิตากอะไรบ้างแล้วยังไม่เลยยูปามิตากิมิตเทเวลยูปามิตาเวลคุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม o อเล่เตยุไม่ ดิฉันยังไม่ทานอะไรมาเลยค่ะเอ้มอยอเลเวลม่ตักินุดเอมออเลเวลมกิเนุดมีใครอีกไม่มีใครอีกแล้วเวลเก่งมิตเตเกเวลเกมิตเตเกมีใครอยากรับกาแฟอีกไหมซวบเก่งเวลโก้ฟ